สิบสองสัตตะสติกะขันทกะหนึ่งปฐมพาณวาล เรื่องภิกษุวัดชีบุตรแสดงวัตถุสิบประการสมัยนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จดับขันธปรินิพานล่วงไปได้หนึ่งร้อยปี ภิกษุวัดชีบุตรทั้งหลายชาวกรุงเวสาลีแสดงวัตถุสิบประการในกรุงเวสาลีคือ 1. งสิงคโลนะกัปปะเก็บเกลือไว้ในแขนงแล้วฉันกับอาหารรสไม่เค็มได้ 2. ทวังคุละกัปปะ ฉันอาหารเมื่อเงาเลยเวลาเที่ยงไปสององคุลีได้ 3. คามามนตระกับปะเข้าบ้านฉันอาหารที่ไม่เป็นเดินได้ 4. อาวาสกับปะทำอุโบสถแยกกันในอาวาสที่มีสีมาเดียวกันได้ 5. อนุมติกับปะ ทำสังฆกรรมในเมื่อภิกษุทั้งหลายยังมาไม่พร้อมแล้วขออนุมัติภายหลังได้หกอาจิ น, นะกับปะประพฤติตามแบบที่พระอุปชาอาจารย์เคยประพฤติมาได้เจ็ดอมะทิตะกับปะฉันนมสดที่แปรไปแล้วแต่ยังไม่เป็นนมเปรี้ยวได้ 8. ชะโลคิดด่มสุราอ่อนๆได้ได้ 9. อัทสกะนิสีธนะใช้ผ้ารองนั่งไม่มีชายได้ 10. ชาตะรูปราชตะ ร, รับทองรับเงินได้